เรื่องโสตปฏิยังคะภาคที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้บรินิพานานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวอขอนวยพรสิริสวัสดพีพัฒนามงคล ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริศัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมพุทธแหวนหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนใโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็เป็นเวลาที่ทั้ ง, งหลายจะได้ฟังการเล่าธรรมิกธร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 สำหรับมาตกรราามในวันนี้ในภาคนี้เราก็จะพูดกันอกีกซ้ําสองลงมาฟ้๊แล้วซ้ําอีกซ้ําซ้ักษา่าในวันนี้จะพูดในเรื่องวหวนสองธรรมซึ่งตอนหนึ่งมาจากวันพระก่อนก่อนู้น ون. ซึ่งก็ยังไม่ละเอียดอยู่ดีดๆเพราะว่าเวลาของเรามันถูกจำกัดด้วยเวลายังไงก็ตามแม้เราจะมาพูดกันซ้ำซากอยู่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เ ก, กาะวรจนให้มันซ้ำมันซากเขาจะมา ก, มากๆก็ับมอนกับอาหารที่เรากินแล้วกินอีกอย่างนั้นก็มีประโยชน์นะเรากินข้าวปลาอาหารเนี่ยจะต้องกินกันอยู่เรื่อยไป ฉันเลยก็ฉันนั่ น, น, นวันก่อนโน้นเราได้พูดกันในเรื่องธรรมธาตธรรมมาธาตึงภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าของเราท่าเรียกธร ร, ธรรมธรรมมาถาโสธรรมปริยาโยอะไรพวกนี้แหละธรรมปริยายที่เรียกว่าเป็นแว่นสลองถรมพูดเป็นภาษาสมัยใหม่ว่าเครื่องตรวจเช็ค วัดดูในจิตในใจว่าคุณทำในจิตใจของเราเนี่ยจะรู้ได้ด้วยเครื่องตรวจสี่ประการนี้พอแล้วมันก็อยู่ในกลุ่มในเครือเดียวกันกับสิ่งที่เรียกว่าโซตปฏิยังคะองค์แห่งผู้เข้าถึงกระแสะแห่งคำหรือโสดาฟันมันมีชื่อเรื่อยเรียกหลายๆอย่างในกลุ่มเดียวกัน โสตปฏยังขะบังจากนี้แล้วก็เป็นพวกแว่นสองรำบังหลังจากนั้นก็ยังมีอีกชื่อที่พระพุทธเจ้าเรียวสุตตวาผู้ที่ฟังเรื่องนี้ถูกเข้าใจในเรื่องนี้พอฟังกันรู้เรื่องท่านก็เรียวสุตตวาอริยสาวโกโออริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่ ทำก็ได้ป่ะเป็นเหตุให้ได้ยินเสียงโกมันก็อยู่ในเครือเดียวกันมีชื่ออีกหลายชื่ออย่างเช่นคาว่าอริยวัตถิธรรมนี่อีกคำานึงอริยวัตถิธรรมก็คือธรรมของผู้ที่ผู้เจริญอริยอริยะแัต ป, ประเสริฐวัตถิปวัจเจริญเป็นคุณค่าของผู้ที่เจริญแล้ว อย่างไม่กลับหลังเลยเนี่ยมันมันเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือเดียวกันโซตะปฏิยังฆะออ์แห่งกู้เข้าถึงโสดาบันนี่แค่ชื่อหนึ่งนะหลังจาก น, นั้นก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าธรรมะธาธรรมะธรรมะธาธรรมะธาโซแวบสองธรรมธรรมะ เป็นเครื่องตรวจเครื่องวัดเครื่องเช็คเครื่องพยากรณ์พระพุทธเจา้าท่านใช้กับว่าพยากรณ์ตนเองได้ตัดสินตนเองได้เป็นหมอ ด, ดูดูให้ตนเองได้โดยไม่ต้องไปให้พระทรงองค์เจ้าที่ไหนดูให้เสียงเงินได็ดทองสมัยนี้เรียกได้ว่ายุคที่จเจริญแล้วแต่โหนก็กําลังเจริญพระรงองค์เจ้าที่กําลังเป็นหมอ ด, ดูพดนน้ำมนพ้นน้ํามันเป็นหมอทำนายลักษณะดูเลิกภานาที่ ดูลัคนาอะไรต่างๆเป็นหมอโหนหมอทำนายเนี่ยกำลังเื่องฟูอยู่ทุกวันนี้แล้วพุทธเจ้าหันสอนธรรมะอันนี้ว่าเป็นธรรมะหมอดูพวกง่ <c oughs> <c oughs> ายๆธรรมะหมอดูไม่ให้ใครมาดูให้เราดูของเราเองไม่ต้องเสียเงินสักบาทแล้วก็ประกันตนเองได้ที่เรียกว่า ไม่จะดูเพียงแต่เดี๋ยวนี้ชาตินี้ว่าวันนี้วันหน้าเป็นยังไงปีนี้ดวงดีไหมลัคนาราศีมันเร่กันยังไงพสุขเข้าพศเสกกาเนิดเหตุเกิดอาเพศเคาะรุมสมราศีร่วจะดีจะ ง, งามยังไงไตัวพึ่งตัวสเสวอยเป็นยังไงไอะไรต่างๆแล้วจะได้เสียเข้าจะได้สะ ด, สดอดแต่งแกบูชาจะได้พูกดวงแก้ไขดวงชะตาราศีอย่างไร อันนี้ยังน้อยไปแต่พระพุทธเจา้าท่านแต่รำอนนี้ว่าดูกันไปแม้กระทั่งชีวิตตลอดกาลเลยคือมั่นใจอีกด้วยว่าตัวเรานี่ดูได้ชัดเจนว่าไม่มีทางตกนรกตายแล้วก็ไม่มีทางตกนรกไม่มีทางที่จะเป็นเปรตไม่มีทางเป็นอสุรกายไม่มีทางเป็นสัตว์เดรัจฉานชีวิตไม่มีทางที่จะตกตับพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่า เป็นธรรมที่พยากรณตนเองได้ธรรมาทาโซธรรมปริยาโย ο. สมนาคโตอริยาซาวโกอากังคามโนอัตนาวะอัตนะนังการพยากรเยยนะ์เป็นภาษาบาลีขออาภายัยแปลว่าอริยสาว่าผู้เขาถึงทำรรอันนี้แล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีแว่นฟองแว่นตรวจมีสิ่งที่จะ ทำเป็นเครื่องตรวจเช็คตนเองได้แล้วก็พยากรณ์เมื่อมีความมุ่งหวังช่นขเช่นใช้คำว่าอาตังขามโนหมายความเมื่อมีความปรารถนาอยากู้มีความวังอยู่อัตนาวัตตนังพยากระยะย่อมพยากรณ์ตนเองได้ด้วยตนเองไม่ต้องให้ใครดูหมอให้ แต่เดีนี้เราไม่ีคุณธรรมของหมอดูก็เลยถูกเขาหลอกเพราะต้โอกาสที่เป็นหมอดูก็เลยร่ํารวยอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโอกาสพุทธปฏิบัติทำอะไรเลยนะสมเศกวันนาชาวพุทธของเราในสมัยพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุโยนะเมื่อมีใครล้มหายตายไปภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาลงตายไปทํากาละไปพระอานุถนันมักคิธามอกสัก ท่านลองปลพระไตรปิดกสังยุตริกายมหาวาระวัคเล่มที่สิบเก้าไปไปเปิดชุดพวกโสตะปฏิยังคะสังยุตโดยเฉพาะหมดธรรมธาตุเนี่ยธรรมธาโสทรรมอันเป็นแว่นตองธรรมมันมีอยู่สามูตรกินชะกาวะ ส, สัทธุทูตรที่หนึ่งที่สองที่สามปธรรมะทุติยะตติยะเล่มที่สิบเก้าตั้งแต่ข้อที่พันสี่ร้ย เจ็ดสิบห้าหน้าสี่ร้อยสี่สิบเก้าที่จะได้พบมีอยู่สองสามสูตรตัวนี้จะเป็นสูตรสุดท้ายแล้วคือเมื่อมีใครล้มหายตายไปอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีภิกษุชื่อโสกาภิกชนิสชื่อโสกาอุบาสกชื่อโสกาอุบาสิกาชื่อโสกาทําการละตายไปแล้วมีคติอย่างไรจะไปไหนไป สุติอย่างไรจะไปเกิดที่ไหนอะไรพวกเนี้ยไปถามบ่อยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าดูก่อนอานนท์ท่านก็อธิบายฟังว่าคนนั้นมีธรรมะอย่างนี้มีศิษฐามีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาระปัญญามีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาตั้งมั่นลงแล้วมูลชาตาปฏิทิตามีมูลรากอย่างลง มีศรัทธาตั้งมัน่นมีสินเป็นไปเพื่อสมาธิอริยกันตะเตนอย่างนี้มีจาคะการรู้จักเทสระปล่อยวางเขาย่อมไม่ตกนรกไม่มีทางที่จะตกต่ําอะวินิปปะธรรมโมไม่มีทางที่จะตกต่ําเป็นธรรมดาสัมโพธิปรายโนเป็นผู้เที่ยนแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าบางทีก็อง์นั้นละสังจ์ เปล่องตำได้แล้วเป็นอุปาติกะหันกันเล่าของท่านไปนีม่มาถามบ่อยๆข้าวพระพุทธเจ้าของเราหันกันเลยบอกว่าเออถ้ามาถามบ่อยๆเนี่ยบางทีก็ทําให้เกิดความลําบากท่านบอกว่างเนี้วิเหสาเวสาอานันทอาสัตถากตาัสสะข้อนี้เป็นความลําบากของเราตถาคตหลังจากนั้นก็บอกว่าแต่สมะติหานันทะธรมมทหาสังนามะปรัรรมะปริยาอย่าง พอเหตุ น, นั้นแหละอานนุน์เราจะแสะดงทาปริยายอันเป็นแวนส่องทมตรวจรมและทั้งกะกล่าวว่าการที่บุคคลเกิดมาเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นเป็นสูตรแล้วเกิดมาแล้วจะ ต, ต้องตายนะั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรเลยไม่ต้องมาถามยังไงเกงก็ตายแน่ชั่วก็ตายดีก็ตายพวกง่าย ร่ำรู้อยากจนมันตายทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรเลยแต่นี้มันเป็นปัญหาว่าเมื่อตายแล้วเธอก็มาถามเธอก็มาถามนี่สิมันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์แต่มันเป็นเรื่องทําให้เกิดความลําบากกันบากวิเหสาเวซาอนันทอ์ทอสสัตถะขตสัพพนี้เป็นความลําบากของเราตถาคตเพราะฉะนั้นเราจะแสดงธรรมปริยายอันเปรียบเสมือนไม่ต้องทำไม่ตรงมาถามเราก็ได้ และเพืบอกว่าอายังโคโซอาณันทะธรรมธาโซธรรมปริยาโยเยนสมนรรณาคโตอาริยซาบโกอากังขมโนอัตนาวอัตตนังพยาการยะด้วยอนุนินี้แลคือธรรมปริยาชื่อว่าแว่นปองธรมธรมหรือธรรมธาตุเรียกว่าธรรมปริยายอันเป็นหมอดูให้แก่ตนเองที่อาริยสาวกประกอบแล้วเมื่อหวังอยู่พึงพยากรตนเองด้วยตนเองได้ ฟังให้ดีนะไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนเสียเงินเสียทองเสียเ ว, เวลาพยากรว่าอย่างไงคือตัดสินตนเองได้แน่นอนวา่าขีนะนิรยมขีนะเตรชาโยนิโยขีนะปิติวิสโยขีนะปายทุกตินิปาดตกโตตาปนโนหามัสมิเรามีนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานปิติวิสัยอบายทุคติวินิบาิสิ้นแล้ว เราเป็นผู้เข้าถึงกระแสะแห่งธรรมรู้จักมั่นใจได้หลังจากนั้นทา่านก็สรุปว่าอวิญิปปาตธรรมโมนียโตสมัมโพธิปรายานมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาแน่นอนไม่มีทางที่จะไปตกนรกเป็นผู้ที่มแท้ที่จะตับสรุในเบื้องหน้า <c oughs> ทำสี่ประการนี้เป็นช่ไหนท่านก็บอกว่าเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาในพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่งอนเงีย่อนแนขระโดยเฉพาะศรัทธาในตถาคตโพทิศธาศรัทธาในปัญญาของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็เป็นผู้มีศีลอริยกันตะศีล ส, สินที่พระพุทธที่พระอริยเจ้าพอใจเป็นไปเพื่อสมาธิ ไม่ใช่สินเป็นไปเพื่อชื่อเสียงโด่งดังให้เขาเห็นว่าเราเข่งเราประพฤติปฏิบัติดีงามเขาจะได้ออนซอนเขาจะได้ซาออนจะได้เสริเสริมเขาจะได้มาเข้าเป็นก๊กเป็นหมูเป็นเหล่าเป็นขันนะเขาจะได้นำลาบตัการะเสียงเยินยอมาให้ทำตัวให้คนอื่นเลื่อมใสพราะอันที่จริงแล้วไม่ไม่ใช่ให้เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสอย่างนี้ดอกแต่จะมีความเลื่อมใสเกิดขึ้นเป็นผลพลอยเป็นผลพลอยพ่วงมา สินชนิดที่ว่ามีอยู่ตลอดการไม่ต้องสมถทานมันเป็นสมุทเฉทะสมถทานมันซึมซาบอยู่ในจิตในใจจนไม่สามารถที่จะกระทำความชั่วในการเบียดเบียนทั้งตนเองผู้อื่นเป็นแปไปเพื่อความสงบระงับแห่งจิตจนกลายเป็นเรื่องของสมาธิสินเพื่อทำสินเพื่อสมาธิอย่างนี้ นั่นงนันกนมีจากะรู้เท่าทันสิ่งที่ได้มาและสิ่งที่สูญเสียไปไม่ดีใจจนเกินไปไม่เสียใจจนเกินไปได้มากก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่โศกเศร้ารู้จักการเสียสละธรมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นอยู่ตลอดการเสียสละทรับซ้อมบัติภายนอกเพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เสียสละความรู้สึกนึกคิดส่วนที่เป็นอกุศลที่หลงเข้าไปยึดมั่นมัวเมาในจิตในใจจนเผาจิตเผาใจให้เราร้อนไม่ผูกมั่นเอาสิ่งเหล่านั้นมาไว้เป็นเจ้าของในจิตในใจสละสลัดปล่อยวางสิ่งนั้นออกไปเรื่จ้จาะหลังจากนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้ดีปัญญารู้จักเหตุแต่ผลรู้จักตนรู้จักประมาณการเวลารู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกความ ดับทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกคือสิ่งที่เป็นปัญหาและเหตุให้ปัญหามีขึ้นและความดับปัญหาหนทางปฏิบัติเพื่อการดับปัญหาด้วยกายวาจาใจในการประพฤติศินตมาธิปัญญาสีอันนี้หรือว่าศรัทธาศิลจาระปัญญาเม่มีทำสีอันนี้ก็พยากรณ์ตนเองได้แง่ๆเลยไม่ว่าแต่ชาตินี้ชาติหน้าก็ได้ยิยวนี้ก็ได้เยี๋ยวนี้ก็ได้ เรามามองไปทางเดี๋ยวนี้กันก่อนก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้เราขาดทำเหล่านี้เราจึงไม่มีความมั่นใจจึงไปหาหมอดูหมอดูเองก็ไม่มีความมั่นใจตนเองก็ไม่มีจึงต้องดูหมอกินถ้าเป็นพระทรงองค์เจ้าทามีทำตีประการนี้ก็เลิกดูกหมอไม่หลอกลวงใครกินพอตนเองก็ยังไม่รู้อยู่ดีๆยังฉีดเลิกผ้านาทีอะไรเยอะนั่นนะ พูดแล้วก็จะกระทบกระเทือนกันขอยกพูดเลยดีกว่าน่าเสียดายจริงๆนะที่นี่ถ้าหากเรามีทมสี่ประการนี้โดยเฉพาะศรัทธาเนีสำคัญเอามากๆที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าสัทธานิวิทาโหติมูระชาตาปฏิทิตาทัน้าอักษังฮาริยาสมณนาสัม ส ม, มเนลว่าพามเนรว่าเฮเวนวามาเรนว่าพมุนามว่าเกนจิวาโลกสมิงภาษาบาลีพูดนี้ว่าศรัทธาอันมั่นคงมีรากย่างลงมีมูลรากย่างลงถ้าเปรียบเหมือนต้นไม้ก็ชนิดที่วัดต้นไม้ที่เพาะจนเกิดราก ทั้งรากแก้วรากฝอยรับรองไม่ตายเอาไปปลูกก็ติดทันทีแต่ถ้าปลูกแล้วชั้นรางมันยังไม่ออกมานี่ส่มันยังไม่ปลอดภัยภาษาเบลิท่านบอกโมูลชาตาปฏิฐิตตามีรากมันตั้งมั่นแล้วมีคุณในชาติอันเป็นรากตั้งมั่นแล้วเทวดามานพมสมณนะพามที่ไหน จะมานําไปไม่ได้หมายถึงว่านําไปในทางที่ผิดนะําไปในทางที่ถูกโอเคไปเดีย๋ยวนี้สมณะมานําไปพามานําไปหมายถึงว่านักบวชเอาวตานักโน่นมานําไปอะอย่างนี้ดีกว่าอาไปนน่นดีกว่าดูดีๆอาบวชเป็นธรรมยุทธดีๆอาถูกมหาเนกายนําจะศึกพรึ้งเมื่อกี้ไปยัดมหาเนกกายบวชมหานกกายดีๆยัดธรรมยุทธอย่างเนี้ย คือยังไม่เป็นมูลชาตาปฏิทิตาไม่ต้องลังเลกันอยู่อย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีธรรมธาตุยังตัดถิญยังพยากรณ์ตนเองไม่ได้เพราะเห็นนั้นเขาหลอกยังไงก็ต้องไปดีตรงไหนไปตรงนั้นถูกใจตรงไหนไปตรงนั้นจะถูกต้องหรือไม่เพราะศรัทธาที่เชื่อมั่นที่รับประกันได้นั้นมันยังไม่มี มันยังไม่มีถึงขั้นที่เรียกว่าทันห้าอาสังหาริยานําไปไม่ได้อสังหาริมะ ซ, ซับซับที่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่นี้ศรัทธาที่ไม่เคลื่อนทันหาอาสังหาริยานําไปให้เคลื่อนพานไม่ได้จากสิ่งที่ถูกต้องเอดี๋โอ้ยเขาจกชวนไปยังไงเขาโฆษณาเอาเดี๋ยวพระอาจารย์โน่นมียาดีเอาลังไลิกันไปแก่ได้สารพัดโรคเดี๋ยวอาจารย์โน้น มีวาจ า, จาศักดิ์สิทธิ์ประพร ม, มน้ำมนต์พวะคำเดียวว่ารุ่ยกวต้องรยอยุ่ยในเมืองไทยมันน่าจะเป็นเมืองมหาเศรษฐีแล้วหลังั้งนั้นก็มีเอาละเสกข้าวเสกหม้อให้กินนี่ข้าวปลุกเสกน้ําปลุกเสกดีเล่หันเลยเปิดอาลัสเลยแต่มันดีขนาดนั้นพระพุทธเ จ, จ้าไม่เสกข่วงน้ํามหาคงคาไวใ้ให้พวกเราหมดแล้วหรือไปขันยชาติเพื่อพันธัญญาหานมาเป็นข้าวมงคลข้าวปลูกเสกหมดแล้วหรือ แต่นี่เรายัางไม่มีศรัทธาชนิดนี้ที่พระพุทธเจา้าท่านบอกว่าศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นในภูมิปัญญาของพระพุทธเจา้าตรงนี้ต้องต้องเน้นหน่อยทําไมจึงต้องเน้นเพราะว่ า, าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคือคนธรรมดาคนหนึ่งเกิดมาในโลกนี้มีเลือดเนื้อมีหัวใจมีธาตุสี่ขันหา้ามีอายตนะ อาหูจะหมุกลิ้นกาใจเดินไปเดินมากินข่าวกินปลาเหมือนกับเราอย่างนี้ล้มหายตายไปเผาไหม้ไปแล้วแต่ความสามารถศักยภาพของมนุษย์อย่างท่านนั้นดังที่เราได้ยินในซีซีพีโซห์วารลหังสัมมาสัมพุทธโภพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงเกตเพลิงทุกสิ้นเชิงตัตรู้ชอบด่ายโดยพระองค์เองวิชาเจรณาสัมปันโนเป็นผูดถึงพร้อมด้วยความรู้การประพฤตปฏิบัติที่ถูกต้อง สุขโตโลกะเวทูเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีไปอย่างพระพุทธเจ้ามาอย่างพุทธเจ้าตายอย่างพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกอานุตโลบุริสะธรรมมาสารถีเป็นผู้ฝึกบุรุษที่ไม่มีใครฝึกได้ยิ่งไปกว่าสรัทถาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานพระควาเป็นผู้มีความจำเริญจําแน็คทำต่างสอนสัต เรามั่นใจถึงขนาดนี้ว่าคนอย่างพระพุทธจเจ้าจําแนกคําสั่งสอนสัพเพวดามานพรหมสมณะพานที่นิยมสยบท่านเป็นครูของหมู่เทวดาและมนุษย์แล้วเรานี่ก็มนุษย์คนหนึ่งเทวดาที่ว่าเก่งไปกว่าเราก็ยังต้องพระพุทธเจ้าของเราเป็นครูเรามั่นใจต่อท่านอย่างนี้เมื่อมั่นใจต่อท่านว่าท่านเป็นคนธรรมดาท่านยังสามารถเอาชนะชจำแรกกิเลสมีศักยภาพของมนุษย์อย่างนี้ แล้วหลักการคือสิ่งที่ท่านเอามาบอกมาสอนที่เราเรียกว่าธรรมะนั่นมันก็เป็นสันติติโตกสันทิติโกกาลิโกเอหิปสิโกโอปันานานิโกที่แล้วสวดกันนั่นแหละว่วาธรรมะที่พระองค์ได้ตัดไว้หลักการที่คนอย่างพระพุทธเจ้าได้ค้นพบได้ตัดไว้นั่นมันเป็นสิ่งที่จะพึงเห็นได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นสิ่งที่คนน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ ขุนกาวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเธอเป็นสิ่งที่ท้าทายที่เรียบว่าอากาลิโกไม่เรียกก่อนเลือกเวลาประพฤติปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการไม่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าตมัยพุทธเจ้าแล้วมั่นใจอย่างนี้หรือไม่ เดี๋ยวนี้มีเป็นจำนวนมากบกว่วาหมดยกมดจะไหพระอริยเจ้าพระอรหันย์เน่ยมาพูดเลยเดี๋ยวนี้เรากําลังจะพูดถึงเรื่องโสตปฏิยังขธรรมะขาดอริยวัตถิเรื่ององค์ุณแห่งภูเขาถึงทำเป็นโตดาบันเรื่องทำเป็นเครื่องท่องจิตสรองใจเปรียบเทียบส่องดูค้นคว้าทำของตนเองพยากรณ์ตนเองเป็นธรรมของหมอดูทํานายตนเองได้อย่างชัดเจนเป็นทำอันเครื่องนําไปสู่ความเจริญอันประเสริฐ เรากําลังพูดกันอย่างนี้แต่อาจจะมีคนพูดว่าโอ้พูดอย่างนี้มันก็ไม่เลยเถิดไปเลยหรือมันหมดยุคหมดสมัยนี้แสดงว่าเรายังไม่มีศรัทธาในประพุทธประธรรมที่ปฏิบัติตามหลักการคือพระธธรรมที่ประพุทธเจ้าค้นพบต่างๆมาแล้วว่าคนเหล่านี้จึงเป็นสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยาจาปฏิปันโนสามีปฏิปันโนตามหลักการที่พุทธเจ้าสอนปฏิบัติดีปฏิบัติตรง n g ปฏิบัติขัดเก่าเผาลนกีเลต้นเอง เพื่อให้จะออกจากโลกจึงสมควรอยู่เนื้อเก่าเนื้อหัวคนเกับคนวัยหลังจากนั้นท่านเกาะเป็นผู้ทําลายกิเลสที่เรียกว่าเป็นบุรุษคู่แห่งบุรุษสี่คู่โสดาบันสกิทาคาอาณาคาอรหันแยกออกมาเป็นแปดโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามิมักสกทาคามิผลไปจนถึงอรหันตะมักอรหันตะพมีขึ้นมาในโลกเดินตามหลังของพระพุทธเจ้าที่นี่เราก็คนคน เราจะเป็นพระสงฆ์หรือเป็นกลุ่มอริยสงฆ์อริ ย, ส, รยสาวกโดยไม่ได้หมายถึงแต่พระนะอยู่บนบ้านนั้นเองก็ได้อย่างนี้จะไม่ได้เฉื่เมื่อเรามั่นใจอย่างนี้เรียกว่ามีศรัทธามูรชาตาปฏิทิตาศรัทธามีรากอันมั่นคงอย่างลงแล้วมั่นใจในสกยาภาของมนุษย์อย่างพระพุทธเจ้ามั่นใจใน หลักการคือพระธรรมที่มนุษย์อย่างพุทธเจ้าท่านได้ตัดไว้แล้วก็มั่นใจในมนุษย์ทั้งหลายที่เดินตามหลักการที่พระพุทธเจ้าวางไว้แต่เราชาละจั่แร ก, กเกลเอไปแ ล, แล้วเรานี่ก็คือคนคนหนึ่งในสังคมของมนุษย์เมื่ออย่างนี้ก็เรียกว่าไม่งอนเง่นค อ, น อ, นอแนทนธันห้าอัซซังห้าริจาสัมเนนวาพัมเนนวาเทเวรวามารีนวะ เทวดามารพรมสมณะพราหมณ์ที่ไหนไม่สามารถนําไปในทางที่ผิดได้นอกจากนําไปในทางที่ที่ถูกยังนี่มันก็มั่นใจหลังจากนั้นก็สินอริยกันตะ ส, นสินสินอันนี้ไม่ใช่ไสยพัฐตฐปรมานงมงมไงา ง, างายลูบลูบคำคำสินพดให้คนอื่นเขาเหลื่อมใส่ส้นละเส้นเยินยอให้เขาเข้ามาเป็นกลุ่มเป็นหมูเป็นคณะยกตนคมท่านว่าเรานั่นดี้ดยการบําเพ็ญปฏิบัติอันนี้ แต่สิ่นอันนี้อริยะกันต์สิ่งสิ่งที่พระอริยเจ้าสรรเสริญเป็นไปเพื่อสมาธิกายปกติวาจาปกติใจปกติก็เลยส่งไปจนถึงสมาธิฟังหลักหมันล่มสติห้อยหาทอดตัเน่งเงี้นหนาเบิงล่มไผยบ่นหยองกัญญาใครไม่ว่าเชยชมอะไรต่างๆก็ตามแต่เรารู้ว่าเราทําอย่างนี้จิตใจเราสงบเยือกเย็นลำงับแม้จะนอนหลับไปมันก็ฝันไปอย่างมีศิ่ไม่ไปเบียดเบียนอะไรใดทั้งนั้นอย่างนี้ ก้ามันใจสทาสิงจาขาจ่าจะขะมือชุ่มไปด้วยการให้การปล่อยวางออกไปทีละครั้งอย่างมั่นใจว่าทำดีจะได้ดีหรือไม่ไม่มีปัญหาอย่างนี้มีความรู้สึกให้อภัยแก่บุคคลที่ดูถูกดูแคลมมีความรู้สึกที่จะต้องปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นอกุศลความคิดชั่วเบียดเบียนหรือความคิดไปทางการทางพยาบาทอย่างนี้ ปล่อยวางสีสละไม่ภูกกุฑไว้ในจิตในใจที่จะเผาจิตใจให้เรารอนอย่างนี้หรือวจาจ่าคะปัญญาดังกล่าวแล้วรู้จักเหตุรู้จัก้นรู้จักปัญหาเหตุที่เกิดปัญหาห้นทางดับปัญหาและวิธีปฏิบัติเพื่อดับปัญหาไม่ใช่คุมเครืออึมครึมไม่มีปัญญาเข้วี้ยงยังไงก็วิ่งไปไปสะดอกเคาะไปตัดกําตัดเบนไปเสริมตันเนยไปเสริมมงคนไปเอาข่าวปลูกเสกมากินไปเอาน้ํามนต์ดีมากินไปเอายามา่โหสถจับ พาะสององค์เจ้าถูกหลอกลวงอ้าวเดี๋ยวเขาบอกว่าเป็นเคาะก็ไปสะดอเคาะกบพระไปพูก่วงตปแก่ชะตาราศีอะไรต่างๆอย่างนี้เรียก ว, ว่ายังไม่มีปัญญาอะไรด้วยก็พยากรณ์ตนเองไป่ไดทีนี้เมื่อตนเอง ม, มีทมทั้งสี่ประการนี้แล้วมันก็มั่นใจมันจะมีทุกมีร้อนแค่ไหนเพราะเห็นนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่ต้องมาามเราเลย บุคคลจะพยากร์ตนเองได้อัตนาวอัตตานังพยากรเลยะเขาจะพยากรณ์ตัวของตัวเองได้ว่าขีนะนิริโย ม, มิมีนรกสิ้นแล้วขีนะตีรชาตโยนิมีตีระชานกำเนิดสิ้นแล้วขีนะปิติลิโยการที่จะเป็นเปรมันไม่มีแก่เราขีนะปายะทุกตินิปาโตไม่มีพ้นแล้วจากความที่จะตกต่ําลงไปโสตาปันโนหะมัจะมีเข้าถึงกับสายแห่งธรรมแล้ว วินิปาตธรรมโมเป็นผู้ไม่มีทางที่จะตกต่ํานียโตสัมโพธิปะไรยนนโนแน่นอนที่ยี่ที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้านี่แล้วก็มาดูวัานนารกมันจะมีกี่ชั้นกี่ล้มมันนรกในชาตินี้นรกในชาติหน้นานรกหลังจากตายแล้วหรือนรกในปัจจุบันที่กําลังเร่าร้อนไม่ต้องตกมันทั้งนั้นถ้าคนมีธรรมะสี่ประการนี้มันจะไม่มีความเร่าร้อนใจจนถึงกับเป็นนรก มีความทษแค่ไหนก็จะมีจาฆ่าตัวคอยปล่อยคอยวางไม่เป็นเจ้าข้องมีปัญญารู้เท่าทันมีความทุกข์อยู่เหมือนกันแต่ก็สามารถเบาบางไม่ถึงกับจะต้องไปทําความชั่วให้ตนเองตกนรกคนที่ทําความชั่วมีความทุกข์เลยนะโอดเขาข้นมาเต็มที่ทนไม่ได้ต้องไปฆ่าเขาแต่บุคคลที่มีศรัทธาดังกล่าวแล้วมีศีลดังกล่าวแล้วมีจ่าค่ามีปัญญาดังกล่าวแล้วมันไม่ไปฆ่าใครดอก จะถูกบีพันจนน้ำตาไหลนองหน้ามันยจะไม่สร้างปัญหาให้ตนเองเป็นทุกข์ถึงขนาดตกนรกมันจะรู้เท่าทันอย่างนางวิสาขาเนี่ยเป็นโซดาบันมีธรรมสประการเนี่ยมีลูกถึงยี่สิบคนล้านตาแค่ก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนกันแต่ไม่ถึงกับจะต้องเป็นโรคประสาท ต, ต้องตกนรกมีความทุกข์เบาบางพระพุทธเจ้าเปรียบความทุกข์เหมือนคูเขาหิมาลัยในอกของแต่ละคนแต่ผู้ถึงธรรมสี่ประการนี้ ความทุกข์เท่าภูเขาหิมะอะไรจะเหลือเท่าขีเล็บเป็นความทุกข์เหมือนแม่น้ําสมุทรจะเหลือเพียงหยดเดียวสองหยดอย่างนี้นั่นแหละมันจํากัดขอบเขตความทุกข์มันจํากัดขอบเขตของการกระทาการพูดการคิดที่จะเบียดเบียนตนเองผู้อื่นมันจะถูกทําลายไปเพราะเหตุนั้นมันจะต้องพยากรณ์ตนเองได้แน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะต้องตกนรกแม้แต่ชาตินี้หรือชาติหน้ามันจะมีคุณสมบัติเกิดขึ้นมาในตัวของมัน ฝ่ายลถฝ่ายละจะเกิดขึ้นทันทีอย่างสมมุติว่าผู้ที่มีธรรมสี่ประการนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเป็นพระสงฆ์เจ้าก็จะเป็นผูนแน่นอนที่จะมั่นคงในพระวินัยที่เป็นสิกขาบทเบื้องต้นพรมันจันอย่างพวกสังฆาปาราชิกง้อเด็ตดดินขาดท่านจกไม่ทํานอกจากนั้นก็อาบัติเล็กๆ น, น้อยๆนี่มีการล่วงเกินอย่าเข้าใจว่าพระอริยเจา้าระดับโสดาบันอรหันก็ล่วงเกิน รวเกิดคือสิ่ค้าผลเล็กๆในนู้นนี่แค่บอกว่าธรรมดาบุคคลที่เก่าถึงกระแสะแห่งธรรมนี้ก็เมื่อจะต้องอบับดับและเมิดวิีนัยก็จะละเมิดอขอนเล็กๆในน้อยแต่ไม่ได้จงใจนะแต่เมื่อต้องแล้วจะรีบเปิดเผยตนเองสแสดงให้พระาศาสดาหรือเพื่อนร่วมมือร่วมคณะที่เป็นวิญญสณชนได้ทราบทันทีแล้วก็สังวรต่อไปท่านเปรียบว่าเหมือนกับเด็กอ่อนๆเบะเบอก เหยียดมือหรือเท้าไปถูกถ่านไฟเข้าจะรีบชักกลับทันทีกูที่มีทำตีประการนี้จะเป็นพระสองฆ์จะถ้าต้องอาบัดแล้วจะต้องรีบทันทีแก้ไขเหมือนเด็กไปถูกไฟทีนี้ถ้าหากเป็นคนธรรมดาก็เด็หรือเป็นเป็นพระก็เกด็มันก็อยู่ในลักษณะอันนี้จะไม่ทําผิดถ้าไปทําผิดปั๊บจะรู้ว่าตนเองมีทุกทันทีจะรีบแก้ไขทันทีอย่างนี้ถ้าตนนกนรกเกาะนิดเดียวป๋อมแป๋มโกยขึ้นมาทันทีซึ่บรกในอธถการฐาบอกว่า นางวิสาขาตกนั้นลวกปแป๊บหนึ่งลเลยค่ะขึ้นมาเพราะมันมีขอบเขตในหัวใจเหมือนเด็กไปถูกไฟจะรีบชักมือกลับ ท, ทันทีที่นี่การทำงานทำการมันก็จะเป็นไปเพื่อตอนเองเพื่อผู้อื่นนอกจากนั้นก็ไม่ทอดทิ้งทำจะสำรวจตนเองอยู่ตลอดเป็นธรรมดาของบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้ ที่พุทธยาท่านบอกว่าทั้งที่เป็นผู้เอาใจใส่คอยขวนขวายช่วยเหลือกิจทุละทั้งหลายทั้งสูงทั้งต่ำของเพื่อนร่วมหมู่ร่วมคณะแต่ในเวลาเดียวกันก็มีความใฝ่ใจอย่างแรงกล้าในการที่จะประพฤติอธิสินสิกษาอธิจิตศิกขาและอธิปัญญาศิกขาไปด้วยท่านท่านบอกว่าเปรียบเหมือนโคแม่ลูกอ่อนคืองัวแม่ลูกอ่อน เล่มยากกินไปคอยดูแลระวังรูกน้อยไปด้วยคือทั้งช่วยส่วนรวมทั้งคอยฝึกฝนตนเองให้ก้าวหน้าต่อไปในมรรคปฏิ ป, ท, ปทาที่ดีงามไม่ได้ว่าเอาเองนะลองไปเปิดพระ บ, บิดอ ง, องนุลาปนาบัจมันมในกาเล่มที่สิบสองข้อที่ห 50, ้าร้อยสสิบห้าร้อยห้าสิบนห้าร้อยแปดสิบเท่านจะได้เห็นชัดพระพุทธเจา้าซ่อนไว้ดีมากเลย มันก็เป็นปกติอย่างนั้นบุคคลผู้มีศรัทธามีศิลป์มีจาระค์มีปัญญาดังกล่าวมาแล้วนี่ถ้าเป็นพระสงองค์เจ้าจะไม่เป็นผู้ขี้เกียจงานการทั้งสูงทั้งต่ำที่เพื่อนบรระชิตทมโดยไม่ได้คิดว่าทาไปแล้วเพื่อใครแต่คิดว่าทําไปเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมท่านเหล่านี้ท่านจะทําทั้งสูงทั้งต่ำของเพื่อนร่วมหมู่ร่วมคณะ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความใส่ใจอย่างแรงกล้าในอาธิสินสิกคาอาธิจิตสิกคาและอธิปัญญาศิคาเอาใจใส่ดูจิตดูใจตนเองไปด้วยทำงานไปด้วยเอมันมีความรู้สึกกระทบกระทั่งอะไรต่างๆหรือไม่ก็ดูใจไปด้วยทำงานทำการไปด้วยช่วยเปื่อนช่วยฟุ้งช่วยมูช่วยคณะเพื่ อ, úng, พ, อพัฒนาอารามวิหารเพื่อพัฒนาสังคมทำตนให้เกิดประโยชน์ที่เรียวกว่า พิงกรดีเยซูทัตคตาจาัด ก, การควนควายช่วยกิจกรรมการงานของหมู่ของคณะในขณะเดียวกันจิตใจก็คอยมีสติคุ้มครองจิตดูแลเพื่อความก้มาวหน้าทางสิ้นทางจิตทางปัญญาพระพุทธเจ้าบอกวา่าเปรียบเหมือนโคแม่ลูกอ่อนเหมือนงวที่ออกลูกใหม่ๆเหมือนควายที่ออกลูกใหม่ๆในเวลาเกี่ยวข้าวลูกมันก็ไปนอนอยู่ในป่าเฟืองป่าฟางในป่า หญ้าแม่ก็กินหญ้าไปไม่ไกลอยู่คงดูกไปไกล้ไม่ไปไกลหางคอยกินหญ้าไปด้วยและเล็มหญ้าไปคอยดูแลระวังลูกน้อยไปด้วยเงมือนกับพวกที่มีแววนฟองธรรมมีโสตะปฏิยังฆะธรรมมีศรัทธามีสินมีจะคะปัญญาก็จะช่วยทั้งส่วนรวมทั้งคอยฝึกฝนตนให้ก้าวหน้าต่อไปในด้านความสุข ก็จะรู้จักโลกุตระสุขที่ปานี่ลึกซึ้งที่ไม่ต้องอาศัยอามิตและก็มีความสุขทั้งโลกอย่าคเข้าใจว่าถึงทำอย่างนี้แล้วจะไม่มีโลกมีเต่ามีผัวมีเมียหนานางวิสาขานีนลูกเป็นยนะี่สิบตนพระเจ้าพิมพิสารนี่ท่านก็มีทำอันนี้เป็นโสดาบันบคุคคลแต่ก็ยังครองเรือนเป็นพระเจ้าเป็นดิน มีรูปมีเต่ามีราชโอรสเรียกว่าความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมาบัดนี้ได้มาสมดุลกันได้ว่าเกิดอาการสมดุลระหว่างโลกิยาสุขและโลโกตระสุขเราจะเห็นได้ว่าบางคนมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็ยังร่าร้อนแต่บางคนที่มีคุณธรรมอันนี้ถ้า ม, มีเงินเป็นเป็นพันล้านเขาก็ไม่เคยลืมความสุขทางจิตใจ ไม่ลดความสุขทางโลกุตตะละสุขเพื่อขยายเพื่อเพิ่มปริมาณทางโลกียะสุขทางกรรมสุขเขาจะมีความสุขสม่ำเสมอเกินไปทั้งความสุขจากโลกีจากโคละทรัพย์สมบัติและความสุขทางจิตใจอันประกอบคุณงามความดีใฝ่ใจรับวังคุ้มครองไม่ใหความชั่วเกิดขึ้นในใจมีสิ้นมีสมาธิใฝ่หาความสมบัและมีปัญญารู้เท่าทันเมื่อนานๆเขา้าเขาก็จะค่อยๆปล่อยความสุขทางโลก เมื่อร่างกายมันแก่มาตามธรรมชาติมันก็ค่อยๆปล่อยความสุขทางโลกขยายความสุขทางธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็ไม่อยู่อยู่กับที่มันก็ก้าวหน้าต่อไปจากความเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมก็เล่นไปข้างหน้าที่พระพุทธเจา้าของเราท่านกล่าวว่าไม้ย่อมล้มไปในทางที่มันเองฉันใดบุคคลผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมเจ้ า, จานี้ย่อมเอน ôm, ็น ôm, ไปโน้มไปโน้มไปสู่พระนิพพานนั่นเพราะเหตุนั้นจึงมีคําว่า แน่นอนนิยตโตสัมโพธิปรายโนงมีความแน่นอนที่แท้ที่จะตรัสรูในวันข้างหน้าเพราะเหตุ น, นั้นเราจะเห็นได้ชัดความสุขอันป้า น, นี่ลึกซึ่งนี่มันก็จะมีอยู่นี่ที่เราก็มาดูต่อไปว่าเราจะพยากรณ์ตนเองได้ว่าเราไม่ตกนรกนไม่ตกยังไงไม่เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไรถ้าหากเรามีธรรมอากนี้ ไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนหรอกเรานี่แหละเราจะรู้ของเราเองท่านตั้งหลายลองคิดดูให้ดีๆท่านเคยดูโทรทัศน์ใช่ไหมท่านเคยดูโทรทัศน์ี่อาตมาตอนเป็นโยมเคยเห็นเนะี่ยแต่นี่ในวันในวานมันไม่มีแต่ก่อนเขามีเขามีเรื่องโทรทัศน์อย่างอย่างอย่างเขาเล่นเรื่องอะไรต่างๆอย่างอย่างพวกนายอ่านีริยาบาลเนี่ยยมพะบาลยมพะบาลยมพะบาล น, นั้นมีตาสามตานะ ที่เราเห็นในโทรทัศน์มันจะเป็นเรื่องจริงหรือเท็จก็ได้ในตาสามตานั้นมีตาหนึ่งอยู่ตรงกลางหน้าผากตาตรงกลางหน้าผากนี้ท่านหลายลองคิดดูตาสองตาเหมือนคนธรรมดามันยังชำเลืองไปทางซ้ายยังแหลไปทางขวายังมีหวานยังมีส้มถ้าพอใจก็มองตาหวานเจอมองด้วยสายตาที่วิงวอนขออ้อนวอนถึงความรักแต่ไม่พอใจก็มองค้อนขวบเป็นจวบเลย ตาเขียวเงางแบบคนอีส า, รานรัดละวายเนี้ยยังมีตาความตาขวางอืตาชมเลืองชมไม้ชายตาอะไรต่างๆเวลารักมองอย่างหนึ่งเวลาเกียดชังมองดังนึงแต่ตาตรงกลางหน้าผากชมเลืองไปทางซ้ายทางขวาไปจะหวักไปความไปง่ายไม่ได้ถ้าจะมองไปทีก็ต้องเอียงไปหมดทั้งตัวเลยตรงเป๊ะตาหน้าผากตาที่สามตรงเป๊ะเลยม <c oughs> ีคนมาถ้ <c oughs> ามาจะมาป่ะ ทานาจารยังหนุ่มยังแน่นยมีความรู้สึกจะศึกออกไปไหมมีความคิดบ้างไหมแต่มาบอกว่าก็อยากจะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วฮั่นไม่อยากจะมีลูกมีเต่ามีคนเสิร์ฟหนอแทนตระกูลบ้างเลว้วแต่มาก็พูดเล่นๆโอ้ขวาว่าเาประพฤติปฏิบัติทำคุณงามความดีไปเรื่อยๆจนกว่าถึงที่สุด จ้าเห็นว่าทำความดีไม่ได้มีคุณงามความดีอะไรเกิดขึ้นประโยชน์ตนประโยชน์ของสังคมผู้อื่นไม่มีขึ้นจะศึกไปเป็นลูกเขยยมพบาลแต่งงานกับลูกสาวยมพบาลคนที่สวยที่สุดเขาโง่แล้แล้วลเขาก็จากไปคาว่ายมพบาลก็คือความซื่อตรงอันนี้แหละที่มีตาอยู่ตรงหน้าผากมองไปทางไห น, นมองตรงคณชั่วก็ต้องเป็นชั่วคณเป็นคนดีก็ต้องว่าคณดี จะมาเห็นแก่เงินแก่คำอามิสินจ้างขอรับชั้นโอลาดบางหลวงไม่ได้จมพบาลแต่จะให้ชัดเจนก็ไปอ่านเทวทูตโสตอุปริปนาตมัชฌิมะนิกายเล่มที่สิบสี่ข้อที่ห้าร้อยสี่เป็นต้นไปจะพบเรื่องพยาจมนายนิรยาบาลจมพบาลเอาคนไปเมื่อคนตายแล้วก็เอาไปจะเอาไปตกนรกจะไปขึ้นสวรรค์วยคุณงามความดีคนนี้ไม่มีไม่มีออบไซไม่มีออกข้าง รงเลยสเตรทเลยก็ไปบอกอ่าพญาหย่อบว่าหยบพบาลเพราะว่านายใ น, นรีาบาลเอาไปบอกว่าคนนี้สัตว์นี้ไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่ไม่เอือ้อเฟื้อสมณพาไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ทําความชั่วด้วยกายวาจาใจผมจําเป็นจะต้องเอาเขาไปลงโทษลงนรกสัตว์นี้ก็ร้องไห้โหเลยเมื่อรู้ตนเองแกตกนรกก็เมือ่อเมือนกับที่พันเอกสนกเรา่า ส่วนผู้ที่ทําคุณงามความดีก็บอกว่าสัตว์นี้เป็นผู้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สัตว์นี้เอื้อเฟื้อสมณะาพามสัตว์นี้เคารพครูบาอาจารย์สัตว์นี้เชื่อฟังปู่ใหญสัตว์นี้ทําคุณงามความดีด้วยกายวิจารย์ใจ <c oughs> ผมจะเอาสัตว์นี้ไปรับกรรมขึ้นสวรรค์สัตว์นี้ก็ยิ้มแต่ พ, ยยพระยาหยมยมผาบาทยังไม่ให้ขึ้นสวรรค์ยังไม่ให้ตกนรกเดียวนั้นต้องสอบถามสักก่อนพอผู้ดีจะตก จ, จะตกนรกร้องไห้ พยาลมก็สอบถามก่อนลูกเอ้ยพ่อเอ้ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ้ยแม่มหาจำเริญถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็ว่าแม่เอ้ยแม่มหาจําริญหลาเอ้ยคําเพลงอย่าร้องอย่าให้ไปเลยไม่ต้องตกใจกลัวเจ้ายังไม่ตกนรกเด่นนี้ดอกฉันขอถามหน่อยบางทีเจ้าอาจจะไม่ตกนรกคนนั้นก็จุดร้องไห้แล้วก็ถาม เมื่อเจ้าเป็นมนุษย์เจ้าตาม ad, ไ ม, Equity, ม ín, ่บอดหูไม่โง่เจ้าเป็นผู้รู้ดีสามีสติมีปัญญาแล้วเจ้าเคยเห็นเทวทูตไหมสัตว์นี้บอกว่าไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ถามต่อไปว่าเจ้าเคยเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายไหมแต่นี้ก็บอกว่าเห็นนั่นแหละคือเทวทูตทำไมเจ้าจึงไม่รู้เทวทูตตักเตือนอยู่แล้วก็บอกว่าเมื่อเจ้าเห็นคนตายเจ้ามีความรู้สึกยังไงคนเจ็บไข้ในโรงพยาบาลเจ้ามีความรู้สึกอย่างไรสัตว์นี้ก็บอกว่าเฉยๆแต่คนอื่นตายถ้าคนอื่นไข้ ไม่มีความรู้สึกอย่างไงโอสัตว์ผู้เจริญเอ๋ยเจ้าผู้เทวทูตตักเตือนแล้วเจ้าทาไมจึงมัวประมาทว่าเราก็จะแก่อย่างนี้เราก็จะตายอย่างนี้เราจะเจ็บไข้อย่างนี้วันหนึ่งวันนี้อยู่ดีมีแรงทําไมเจ้าไม่คิดว่าจะสร้างคุางามความดีก่อนที่จะตายก่อนที่จะแก่ก่อนที่จะเจ็บจะไข้โอเจ้ามัวประมาทถ้าฉะนั้นเจ้าต้องไปรับกรรมไม่ใช่พอแม่พี่น้องปูหยาตายายสมณพราหม์เทวดามารผมที่ไหนเอาเจ้าไปตกนรก แต่เจ้าจะโตพอกรรมพะเวรของเจ้าจอมัวประมาทไม่สร้างคุณงามความดีหวันแล้วก็ลากไปเลยก็ร้องหอบร้องไห้ต่อไปส่วนพุทธิธรรมโคนงามความดีก็ถามอย่างเดียวกันสุดท้ายก็ได้คําตอบสุดท้ายว่าเจ้าเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายคนาไม่สบายนะี่เจ้ามีความรู้สึกอย่างไรคนนั้นก็บอกว่ากับผมมีความรู้สึกว่าเออไม่วันใดวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างนี้เห็นคนตายก็ปลอบไหววังภาวีเอวังอนตัตติโตเราจะเป็นอย่างนี้ดีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้ บรณธรรมโมหิบลันังอนัตติโตเรากาะจักตายเหมือนกันหนีความตายไปไม่ได้หั่นทังกันระายานังกรโรมิกาเยนาวาจามานาสาเอาเถิดจะเกลียดทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจก่อนที่จะตายเมื่อพูดอย่างนี้ขยัยามท่านก็บอกว่าเออไม่ใช่เทวดาฟ้าดินมารพรมพ่อแม่ปุย่าตายายยมยักษ์ที่ไหนจะเอาเจ้าขึ้นสวรรค์แต่เจ้าต้องขึ้นเพราะเจ้ากระทาคุณงามความดีขึ้นเพราะกรรมพวกตกนรกก็ต้องตกพราะกรรม อันนี้จะจริงจะเท็จอย่างไรก็ต่างถ้าเรามาดูรูปประทับว่าพญายมเนี่ยมีตาอยู่ตรงกลางจะมองซ้ายแลขวาต้องมองไปหมดตรงเป๊ะไม่มีตาความตาหงายตาสมตาหวานไม่เหมือนตาคนธรรมดาฉันนี่ก็ฉันั้นคือความจริงอยู่ในจิตในใจเราเราซึ่งทําแต่คุณงามความดีเราซึ่งมีศรัทธามีศิงมีจาระมีปัญญาอย่างนี้ ก็ลองสมมุติลองสมมุติลองสมมุติตนเองดูสมมุติว่าเราเป็นยมผาบาลเราจะกล้าเอาคนที่สร้างแต่คุณงามความดีลงนรกได้ไหมเราจะกล้าเอาคนที่มีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของตนเองและพฤ่งปฏิบัติเพื่อตนเองจะไปสู่เป้าหมายคือความหลุดพ้นจากทุกข์หรือคุณงามความดีลงนรกได้ไหม เราจะกล้าเอาบุคคลผู้มีศีลอันงดงามไม่ต้องสมาทานแต่ก็เต็มเตี่ยมอยู่ในหัวใจประพฤต์ตนปกติกายวา่าใจไม่เบียดเบียนตนเองผูดลงนรกได้ไหมถ้าเราเป็นยมพาบานเราจะกล้าเอาบุคคลผู้สีสละทั้งภายนอกภายในความไม่ดีไม่งามอารมณ์บูดอารมณ์เน่าในจิตใจออกไปไม่กระทบกระทั่งกับใครๆลงสู่นรกได้ไหมถ้าเราเป็นยมพาบานเราจะ กล้าเอาบุคคลที่มีปัญญารู้จักเหตุจักผนรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์จนรู้จักละรู้จักเจริญสิ่งที่ดีงามละสิ่งที่ชั่วยุตตลอดการอย่างนี้ล่องนรกได้ไหมยมพะบาลไม่กล้าเอาคนที่มีศรัทธามีสี่มีจาคะมีปัญญาลงนรกถ้าสมมุติว่าเราเป็นยมพะบาลเราก็ไม่กลาเอาลงนรกมาเอาลงไปได้ยังไงคนดีๆเราก็มันก็ไม่เป็นยมพะบาลเพราะว่า มันก็ตาไม่สื่อตรงคำนั้นเองนี่ลองตั้งปัญหาถามตนเองดูอย่างนี้ก็จะพยากรณ์ตนเองได้นี่หลังจากตายแล้วเดี๋ยวนี้ก็รู้ตนเองเราไม่มีความเดือดร้อนอากูลใดๆทั้งสิ้นเพราะเราสร้างแต่คุณงามความดีที่ภาษาบาลีว่ามาอืมปัชชาวิปติสารโนอนุวัฒนเป็นผู้ไม่เดือดร้อนใจเมื่อภายหลัง นั่งคิดนอนคิดถึงอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในข้อที่คิดในกิดตี่ทำในคำที่กล่าวของเราอะไรบ้างที่จะทำให้เราตกนรกอะไรบ้างที่จะทำให้เราสูญเสียคุณงามความดีอะไรบ้างที่จะทำให้เราหน่าในเตียกแชะไม่มีเมื่อไม่มีมันก็ไม่เดือดร้อนใจเมื่อภายหลังเรียกว่าปัจฉาวิปัสสนารน อ, อนุวัตถะไม่ยืนมาสู่ความเดือดร้อนใจ ในภายหลังมีแต่ดีแต่งงานทั้งนั้นนี่จึงเรียกว่าตัดสินตนเองได้แล้วมันจะไปเป็นเปรเป็นอสูรกายเป็นตัดเลือดฉานได้อย่างไรแคนี้ก็ลองตั้งปัญหาถามตนเองเ อ, งองีกที่พระพุทธเจ้า ว, ว่าศรัทธาชนิดนี้ที่เรียกว่านิวิทธาโหติมูลชาตาปฏิทิตาศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่วันไว้มี ม, มีคุณชาติอันมีรักอย่างลงแลว้วเทวดามารพมฟ้าดินที่ไหน ชักชวนหนีไปไหนไม่ได้เราก็ลองตั้งปัญหาถามตนเองบางคนมาบอกว่าโอ้ยมีเงินน้อยอยากจะากทำบุญสุนทรธานเลอะเกินแต่ทำไม่ได้จะได้บุญไหมนิดเดียวก็เลยบุญถ้าทำเป็นมีศรัทธามีสิ้นมีจาระมีปัญญาอย่างนี้มีความเลื่อมใสยอยู่เต็มเลี่ยรอยู่นี่พระพุทธเจ้าบอกว่านักที่จิตตังประสัน้นน้ำหิอปกานา ม, มักขีนาเมื่อจิตเลื่อมใสยอย่างนี้แล้วบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยไม่มี แต่บุญนั้นยังไม่ปลอดภัยถ้าไม่มีปัญญาอันเป็นกุศลเพราะฉหนั้นก็ลองตั้งปัญหาถามตนเองดูถ้าเขาจะมาจ้างเราไปนับถือศาสนาอื่นสักห่าล้านบาทเราจะไปไหมแต่จงให้มีความยุติธรรมในความรู้สึกตัดสินดูถ้าบอกว่าเรายังเอาเห็นแก่เงินแก่ทองอยู่อย่างนี้มันก็ยังไม่ใช่มูละชาตาปฏิทิตตาเพราะเหตุนั้นคําว่าศรัทธาอันนี้จึง พระพุทธเจ้ากล่าว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐก็่า้ศรัทธาวิตังปุริสัตเสศทั้งศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐสามัคคีนู่เนี่ยเป็นทรัพย์ที่จะซื้อที่จะหานําไปโศวสวรรค์โศภและนิพพานูโสตตปฏิยังคะได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นในนี้จึงเรียกว่าอริยวัตถิธรรมบ้างเรียกว่าทรัพย์บังเรียกว่าโสตปฏิยังคะองค์คุณแห่งโสดาบันบ้างเรียกว่าธรรมธาตุแหวนปองธรรมตัวธรรมอะไรบ้าง เพราะเหตุ น, นั้นแวนตองทำนี้สาคัญมากก็คือเรื่องศรัทธาเรื่องศิลนเรื่องจาคะเรื่องปัญญาที่นี้ถ้าเราลองตั้งปัญหาถามตนเองว่าเขามาจ้างเราให้เลิกนะับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเอาไหมเดี๋ยวนี้เรายัางไม่มีอย่างนี้จะเอาฝุ่นุนทรทานจะทำอะไรให้มันมันม่นใจถูกต้องมีศรัทธามีศิลปบริสุทธิ์กันดีไหม เลิกได้ไหมจ้างหนังจ้างมอลำเลิกได้ไหมข่าวงัวขาควายทําบุญด้วยศรัทธาอันบริสุทธินิดหน่อยมันก็จะเป็นผลเราไม่กล้าไม่กล้าเลิกอย่างนี้เรียกว่ายังไม่มีมูละชาตาปฏิทิตาเรายังไม่มีจ่าขะอย่างจ่าขะอะไรจ่าขะเสียสละความสนุกสนานเพลิดเพลินตามอารมณ์เสียสละได้ไหมบุญบานนี้เว้ยไม่ต้องจ้างนังไม่ต้องจ้างมอลำเสียสละมันจะเลยดีกว่าอย่างนี้เรียกว่าจ่าขะ ไม่ต้องข้างัวข่าควายซอยแสบซกและกินซื้อตำประคุงกินแกงหน่อไม้กินเกาะได้ทําบุญอย่างเรียบอย่างนี้ได้ไหมเราไม่กล้าเสสละอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเดี๋ยวนี้เราจะพากันคุยโมโออวดไปว่าพุทธศาสนาเจริญเดี๋ยวนี้ยังไม่มีทำสี่ประการอันนี้เป็นเครื่องรับที่เรียกว่าโซตปัปติยังคัปนขออภัยแม้แต่จะเป็นพระเป็นเจ้าแล้วก็ดีเราก็ยังพร้อมที่จะออกไปสู่โลกข้างนอกขอให้มีเงินมีทองเก็บหอมรอมลิกไว้มากๆ บางคนเป็นมาของมหาศึกออกไปแล้วไม่เข้าวัดเข้าว่าอีกเลยก็มียิ่งมากปด้วยอบายามุกตกลงไปภายใต้นี้สินบางคนเึกออกไปขายตัวให้ศาสนาอื่นก็มีนี่ยังไม่มีศรัทธาเช่นนี้ถืว่ามูลชาตาปฏิปิตานี่ถ้าหามีสิ่งเหล่านี้มันก็จะทําลายหลายอันสมมุติว่าท่านมีศรัทธาท่านก็จะทําลายมัชชะริยะอาวาสมัมชชะริยะห้วงที่ยูห้วงทิน กูละมัจฉริยะหวงตะกูลห่วงพวกห่วงสำนักหวงสายสัมพันธ์ไม่เล่นพักเล่นพวกละลาภมัจฉริยะห่วงลาภหว ง, งผลประโยชน์คิดกี่กันไม่ให้คนอื่นได้อย่างนี้มันจะถูกทําลายไปสิน้นวันณะมัจฉริยะหวงเกียรติคุณห่วงคำํำสรรเสริญเยินยอไม่พอใจให้ใครมีอะไรดีเด่นมากแข่งต้นไม่พอใจให้ใครส่วยงามแต่ดินคำํำสรรเสริญคุณงามความดีของคนอื่นแล้วตนเองทนไม่ได้เป็นทุกข์ตรงห้าทางคัดข้านอย่างนี้กเรีย ว, ว่ะ เรายังตระหนี่ไม่มีจาระจาคะ อ, อย่างนี้ทำรรมัจฉริยะหวงธรรมหวงวิชาห่วงความรู้หวงคุณพิเศษที่ได้บรรลุกูร์แต่คนอื่นจะรู้จะประสบผลสําเร็จเทียมเท่าหรือเกินกว่าตอนอย่างนี้บางคนเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ๆโลกศิษย์โลกห<ม>า<ม>ขอลาไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์อื่นไปฟังธรรมอาจารย์อื่นไม่ให้ไปไม่ให้ไปเด็ดขาดอย่างนี้เรียกว่าธท ร, รมัจฉริยะยังไม่เข้าถึงจาคะ ในธรรมที่เรียกว่าแว่นสองธรรม ท, ทีนี้อีฝ่ายศรัทธาก็ดีฝ่ายซึมก็ดีฝ่ายปัญญาก็ดีมันก็จะทำลายสกายทิฏฐิวิกิกิจชาศีละพัตตปรมาสกกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวติดสมมุติอย่างเหนียวแน่นซึ่งก็ทำให้เห็นแก่ตัวอย่างหยาบคายแล้วก็เกิดความกระทบกระทั่งจนมีทุกข์ได้แรงๆอย่างนี้มันก็จะหมดไปมีรอบเขที่น้อยลง ความสงสัยในความไม่แน่ใจเกี่ยวกับพระพุทธประธรม ร, ะรมประสงค์การศึกษาการประพฤติปฏิบัติซึ่งทําให้จิตไม่น้อมดิ่งไปในทางที่จะระดมความเพียรมุ่งหน้าปฏิบัติให้เร่งรุดไปในมรรคาต่างๆไม่มีไม่มีมีแต่จะก้าหน้าไปเลยตีละพัตาตาบรมหัตความเชื่อถือไข้แขวะเกี่ยวกับเรื่องสินเรื่องพุการปฏิบัติศินและวัดหรือกฎเกณฑ์ระเบียบวิในขอปฏิบัติขนบรมเนียมต่างๆ ไม่บริสุทธิ์ตามหลักการตามความมุ่งหมายที่มุ่งเพื่อความดีความงามเช่นความสงบเรียบร้อยความเป็นบาทฐานของสมาธิเป็นต้นแต่ประพฤติด้วยตัณหาและทิฏฐิเช่นหวังผลประโยชน์ตอบแทนหวังจะได้เป็นนั่นเป็นนี่หวังจะได้มีชื่อสิยงสรรเสริญย้นยอประพฤติด้วยความงมงายสก๊ะธรรมตามๆกันมาอย่างนี้ไม่มีอีกเนี่ยผู้ที่มีศรัทธามีเส้นมียาคะมีวัญญายอย่างถูกต้องมันจะเป็นอย่างนี้ ทำลายมัจจริยะทั้งห้าหลังจากนั้นเกาะระ ง, งับอคติอคตินี่จะลำเอียงด้วยความชอบลำเอียงด้วยความชังลำเอียงเพราะความหลงหรือความโง่เขานำเอียงเพราะความกลัวเหล่านี้จะถูกตัดไปสิน้นพระอานนท์เมื่อท่านเป็นพระโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้า ป, ปรินิพานท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่พระมหากรสปะก็ต้องบรรจุท่านให้เป็นผู้ร่วมสังขารนาวิจฉนาพระ ไปบิดอกนี้เพราะว่าท่านจําได้มากแต่ท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่สิ่งที่รับประกันก็คือท่านมีโสตะปฏิยังฆะมีศรัทธามีสินมีจาคะมีปัญญารับรองท่านไม่มีอคติแน่ๆต้องบริสุทธิ์นี่จึงได้บรรจุเป็นวาระคนหนึ่งในการที่วิสัตนาสุดท้ายท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์ก่อนหน้านั้นวั น, น, นต่อมาก็จะมีฝ่ายที่ละราะโทสะโมหโลกโกรธหลงขั้นหยาบหยาบที่รุนแรงจะทําให้ถึงอบาย ไม่ทํากรรมชั่วขั้นร้ายแรงที่จะเป็นเหตุให้ไปตกอบายได้อันนี้รับประกันต่อมาก็ระงับภัยเวรโทมนัสความทุกข์ฐางใจต่างๆที่จะพึงเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามหลักศีลเป็นผู้พ้นจากอบายสิ้นเชิงความทุกข์ส่วนใหญ่หมดสิ้นไปแล้วความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่บ้างเป็นเพียงเศษน้อยนิดที่นับเป็นส่วนไม่ได้เลยนี่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้ที่มีทำสี่ประการนี้จะเป็นผู้ระงับภัยเวรอีกด้วย การที่จะเป็นภัยแก่คนอื่นเป็นเวรกว่าแก่คนอื่นไม่มีมันจะถูกระงับไปคนอื่นจำเป็นภัยแก่เราเป็นเวรแก่เราเราก็่ารงับยอมไปเขาจะเชื่เนื้อออกเป็นชิ้นๆอะไรต่างๆมันยอมได้ล่ะเพราะว่าเราจะต้องไปก่อเวรก่อกรรมทําไมเรื่องมันจะไม่รู้จะจบจากสิ้นนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุฉะนั้นเราก็มาสรุปอีกทีหนึ่งเรียกว่าสรุปคุณภาพของคุณธรรสีประการนี้ เมื่อมีศรัทธามีศีลมีจาระมีปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นธรรมแห่งพระโสดาบันกอนดีเป็นธรรมเพื่องตรวจสอบตอนเองเป็นธรรมของหมอดูพยากรณ์ตนเองได้หรือว่าเป็นธรรมของผู้ที่เจริญแล่อริยวัตถิธรรมกอดีหรือว่าเป็นทรัพย์กอดีคุณสมบัติเหล่านี้มันจะเป็นสาระสําคัญในตัวของมันเองกล่าวคือว่า เราจะสักยะทิฏฐิได้ก็เพราะมีปัญญาอย่างรู้สภาวะธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยพอสมควรเมื่อเกิดปัญญาเข้าใจชัดขึ้นอย่างนี้วิกิจิกิชฉาความสงสัยคลางแข่งแก่ก็หมดไปศรัทธาที่อาศัยปัญญาก็แน่นแฟนพร้อมนั้นก็จะรักษาสินได้ถูกต้องตามหลักการตามความมุ่งหมายกลายเป็นอริยตันตสินคือสินที่อริยชนชื่นชมยอมรับ ศีระพัตต์ปรามาตฐความโง่เขางมงายในการประพืิปฏิบัติก็สิ้นไปเมื่อจาคะเจริญขึ้นมัชชริยะก็หมดไปเมื่อราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็ไม่ตกไปในอำนาจของอคติและราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็เพราะปัญญาที่มองเห็นความจริงของโลกและชีวิตทำให้คลายความยึดติดให้น้อยลงน้อยลงเมื่อสิ้นยึดติดถือมั่นน้อยลง ความทุกข์ก็ผ่อนคลายความทุกข์ก็น้อยลงเมันมีความยึดมั่นถือมั่นมากความทุกข์มันก็มากค่ะนี่มันเป็นอุปกรณ์กันอย่างที่ถ้าอันนึงขึ้นอันหนึ่งมันก็ลดอันนึงงอกอันหนึ่งมันก็หดคุณทําเราหนี้งอกขึ้นคุณทําเรานั้นก็ตายไปเนี่ยหลักอกิเลสเ่านั้นมันก็ตายไปเราจะรู้จักความสุขที่ปาณี้ยิ่งขึ้นที่นี่มาต่าวโดยย่ออีกทีหนึ่งความเป็นบุคคลผู้มีธรรมะสีปการนี้ ยอมรับได้ว่าน่าพอใจและวางใจได้ทั้งในด้านคุณธรรมและด้านความสุขทั้งในด้านส่วนตัวและสังคมในด้านคุณธรรมก็มีคุณความดีเพียงพอที่จะเป็นหลักประกันได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิด อ, อันตรายเดือดร้อนเสื่อมโทรมเสียหายเป็นภัยแก่ตนเองแก่สังคมหรือแก่ใครได้ตรงกันข้ามจะมีแต่พฤติกรรมที่อำ่ำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่การดำรงอยู่ดำเนินไปด้วยดีของชีวิตและสังคมและ คุณทำเหล่านี้มันจะมั่นคงขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่เป็นไปเองตามธรรมบัญดาแห่งเหตุปัจจัยของมันคือเพราะมีปีชาญาณที่เกิดทัศนคติอย่างใหม่ต่อโลกและชีวิตเป็นฐานรองรับส่วนในด้านความสุขบุคคลผู้มีธรรมสี่ประการมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาก็ได้พบกับความสุขอย่างใหม่ทางจิตใจที่ปราณีควาลึก อันประจักษ์เฉพาะตนว่าเป็นสิ่งมีคุณค่าสูงล้ำผู้ในคนอื่นฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่เราประจักษ์ใจเราซึ่งแม้ตนจะยังสเสวยการมาสุขมีลูกมีปัวมีเมียมีโลภิยะสุขอื่นๆดบแต่ก็จะไม่ยอมให้ความสุขที่หยาบกว่าเหล่านั้นเกินเลยออกนอกขอบเขตซึ่งจะเป็นเหตุบั่นทอนความสุขที่ปานี้คือจะไม่ยอมสละโลกุตละสุขอันปานนี้ เพื่อมาเติมส่วนขายายปริมาณให้แก่โลกิจสุขอันยาบขายกว่าอีกต่อไปผู้อีกในหนึ่งว่ากามาสุขและโลกิจสุขอันหยาบถูกทําให้สมดุลด้วยโลกุตระสุขอันปานนี้ความสุขนี้เป็นทั้งผลเป็นทั้งปัจจัยที่จะต้องพันเนื่องอยู่ด้วยกันกับคุณธรรที่ประพฤติจึงเป็นหลักยืนยันถึงความไม่ไหลเวียนกลับลงสู่ต่ําอีกต่อไปที่เรียกว่าอะที่เรียกว่า ตมวินิปาตะธรรมโมมีความไม่ไหลเวียนไปตกต่าเป็นธรรมดามีแต่จะช่วยคำชูทรงเสริมให้กล้าวสูงขึ้นไปสู่เบื้องหน้าความเป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมสี่ประการมีแว่นลองธรรมเป็นโสตะปฏิยังฆธรรมนี้มีคุณค่าเป็นที่น่าพอใจทั้งแก่ตัวบุคคลนั้นเองแก่สังคมอย่างนี้ท่านจึงจัดผู้บรรลุธรรมเหล่านี้เป็นสมาชิกชุดแรกเข้าใหม่ของชุมชนอารยะ เป็นจุดต้นที่ชีวิตอารยชนเริ่มแรกนับเนื่องในอริยะสง์หรือว่าสาวกสง์ที่แท้อันเป็นสังคมแม่พิมพ์ที่พระพุทธศาสนามุ่งประสงค์ที่จะใช้ให้เป็นแบบหล่อหลอมมนุษยชาติในสังคมของชาวพุทธพระพุทธเจ้าจึงตรัส ว, ว่าปทัทพาเอกรเชนะสัก ข, ขสักมนเณรวัชพรโรการอธิปจเจนโซตาปฏิพลังวลังการเข้าถึงกระแสธรรมอันนี้ดีกว่าการได้ไปสวรรค์ ประเสริฐกว่าการได้เป็นพระจัจกรพรรดิประเสริฐกว่าการได้ฌานตมาบัตตาตดาผู้นำสัตนาที่มีสาวกมากมายเป็นผูกปราศจากการมราคะด้วยกำลังเจโตวิมุติประกอบด้วยกรุณาคุณสั่งสอนลทัทธิเพื่อเข้ารวมกับพรทำให้สาวกไปสวรรค์ได้มากมายนะักว่าเป็นผู้ประเสริฐมากหนูแล้วแต่บุคคลผู้เข้าถึงทำสี่ประการ น, นี้แม้ยังมีการมราคะอยู่ก็ประเสริฐยิ่งกว่าสาวกดาเหล่านั้นไม่ได้ว่าวเองนะ ไปเปิดดูพระไตรปิฎกอังคุตนิกาช ก, กนิบาตเล่มที่ยี่สิบสองหอที่สามร้อยยี่สิบห้าหน้าที่สี่ร้อยสิบห้าถึงสี่ร้อยสิบแปดเป็นอันว่าเป็นที่รับประกันได้อย่างน่าภาคภูมิน้าพอใจและเป็นที่สามารถพยากรณ์ทานายตัวเองได้ว่าชาตินี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเรามีโอกาสตกนรกน้อยที่สดุด คือความเพ่าร้อนใจเป็นทุกและมั่นใจว่าไม่ตกนรกในชาติต่อๆไปเพราะมีธรรมสี่ประการนี้แต่ท่านจะต้องศึกษาให้ละเอียดและประพฤติปฏิบัติกันให้ถูกต้องเด่งามอย่าได้ไปหวังอะไรมากไปเกินกว่านี้บางครั้งท่านก็เรียกว่าบุคคลผู้ได้ฟังเรื่องนี้เข้าใจท่านก็เรียกว่าสุตตวาอริยทราบว่าโอผู้ที่ได้เรารีนอริยธรรมผู้ได้ยินเสียงกูแห่งพระธรรมรู้จักอริยธรรมเป็นผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแล้ว ถ้าหากท่านฟังเรื่องนี้ไม่เข้าใจฟังไม่ถูกก็แสดงว่าอสุตวะปุถุชนเป็นปุถุชนผู้ไม่ได้ยินเสียงกู่เรียกอย่างนี้พระพุทธเจ้าหันซ้อนเหลือเกินเป็นเบื้องต้นที่จะเรียกว่าเป็นผู้มีการศึกษาเป็นขั้นของผู้รู้จักจุดตั้งต้นของทางแห่งชีวิตและเป็นอุปกรณ์ซึ่งจะเป็นปัจจัยของการเดินทางเตรียมไว้พร้อมกําลังเดินนุ่งออกจากบริเวณป่าที่หลงเพื่อเข้ามาสู่ขนทาง แม้ยังอาจจะเก่าเต่าถอยถอยอยู่บ้างแต่ก็พร้อมที่จะเดินทางดันสำหรับชีวิตขั้นต้นหรือกัญญาปุถุชนนี่ซึ่งมีศรัทธามีสินมีจาคะและปัญญายังไม่มั่นคงแน่นแฟนโดยลำพังตนเองก็จะมีสุตะอีกตรงนี้ล่ะสำคัญหน่อยเป็นพี่เลี้ยงทำสี่ประการคือศรัทธาสินจากะปัญญาสี่อันต้ายังไม่มั่นคงพอก็ต้องเติมอีกอันหนึ่งคือสุตะสุตะหมายว่าการฝัง ฟังบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเรียนรู้ความรู้ที่ได้จากการสดับเรียกว่าวิวเสียงอริยธรรมเรียกเป็นสตว่าเป็นผู้ฟังให้ถูกตรงนี้ท่านขยายออกถึงห้าเรียกว่าสทาสีนสุตตะจาฆะปัญญาทำห้าอันนี้เป็นอริยวัตถิธรรมอริยสาวกหรือว่าผู้ใดในโลกนี้ประกอบด้วยทำห้าประการนี้อาทิยติสาลมิเทวะอัตโนเขายอมถือเอาสาละประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้ ถ้าจะมีแต่ศรัทธามีศินมีจาาักระมีปัญญามันยังอ่อนยังไม่มั่นคงก็ต้องเติมสุกรนะคือการฟังการคิดการไปนิดพิจารณาฟังครูบาอาจารย์ฟังไปฟังมาก็จะฟังถูกนี่เดียวว่าเป็นสุตตวาอริยสาวกเป็นอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่แววเสียงแห่งอริยธรรม กว่าจะเป็นคุณสมบัติอันสําคัญทึ่งจะอบรมสั่งสมให้ถึงขั้นเป็นผ้าหุสัจจะเป็นผ้าหูสูเป็นผู้มีการได้รับฟังเป็นผู้คงแก่เรียนหลังจากนั้นก็เป็นอุปกรณ์สําคัญในการเดินทางทําให้รู้จักจุดที่ตั้งต้นเป็นปัจจัยในการช่วยเสริมศรัทธาสินจาฆะและปัญญาเกิดขึ้นอยนี้เมื่อมันมากๆากมากขึ้นแล้วรวมเอาเฉพาะคุณทํามย่อๆท่านก็ตัดสุดตตะออกหรือแต่ศรัทธาศินจาฆะ ปัญญากลายมาเป็นแว่นซองทาเครื่องพยากรณ์ตนเองได้จานนัางคนโบราณที่บอกว่าแวนซองหนาเบิงหูเ็นธนัดบ่อนเห็นสาญ้าเพศผีสางให้มีท่ทอสินสัตธาจาค่าพ่อปัญญานั่นเป็นแววน